Fifty languages. s e v e n อ e e n Star. Around the house. Karde alidu alay. Our house is h e h kar mira he. h o ชัอยู่บห้องใต้ดินอยู่ข้างล่างแต่ขานาเหท่มีสวนอยู่ข้างหลังบ้านบิดชืไม่มีถนนอยู่หน้าบ้านกก์ไมมีต้นไม้อยู่ข้างบ้าน การเก द อลด์อพารตเมนของดิฉันอยู่ที่นี่อ म ห์มีระนิวาห้องครัวและห้องน้าอยู่ที่นี่อิท र स ोรโ र อ ते स् ์นานห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่อ थ े बैठक अते स อ न ติส์โซาลา ประตูบ้านปิดการ์ด้าประตูบ้านปิดแต่หน้าต่างเปิดปาร์คิดเกียร์เปิดวันนี้อากาศร้อนวันนี้อากเรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่นอาซีเบื้องตักเวชจั่วยหา มีโซฟาและเก้าอี้น่วมตั้งอยู่ที่นั่นโอเธอีกโซฟาอเทอีกเก้าอี้เหเชิญนั่งค่ะคิรปะการเกบทโฮคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นเอเธเมราคอมพิวเตอร์เหสเตอริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้น मेरा स ् ट ี र ि य ोอ थ ेทैิชุดทีวีเป็นของใหม่เทลิวิชันเซ็ตอีกดัมน้